ใจนี่มันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันฝึกได้ยากเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องตั้งใจจริงๆต้องสำรวมจริงๆจิตนี้มันก็จึงจะตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมได้ ทั้งนี้ก็เพราะกิเลสมันผลักดันกิเลสอันนี้เนะ่ยมันสั่งสงกันมาแต่อนเนกชาตินู่นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นของลำบากที่บุคคลจะมากาจัดให้กิเลสตัว น, นี้ให้มันออกจากจิตใจนี่ ต้องได้สร้างบุญบา ร, รมีอย่างแรงกล้าจึงจะมีกำลังใจกำจัดกิเลสนี้ออกไปได้เหมือนอย่างถ้าแกวทาหารเราต้องฝึกผนให้มีกำลังเข้มแข็งแข็งแรงจริง มันก็จึงไปต่อสู้กับค่าศึกได้นี่ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสคือราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นค่าศึกที่ร้ายแรงยิ่งกว่าค่าศึกภายนอกมันครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้ว ทำให้ผู้นั้นประพฤตินอกธรรมนอกวินัยนอกศีลธรรมออกไปโดยไม่สะทกสะทานกลัวต่อบาปกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดง ลักษณะตัดสินทรรมวินัยไว้แปดประการเพื่อให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ได้รู้ว่าประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมเป็นวินัยประพฤติอย่างไรไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยทรงแสดงไว้ว่า ทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสั่งสอนของภาษาตะดาทำเราใดเป็นไปเพื่อประกอบไปด้วยทุกทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของภาษาสดาเหมือนกันทำเราใดเป็นไปเพื่อ ความสะสมกองกิเลสทมเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของ菩萨ตรา <c oughs> ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ทมเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของ菩萨ตราทำเหล่าใด เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้คือมีนี้แล้วอยากได้นั้นไม่มีสิ้นสุดอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิ น, นัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพศศระตาทาเราได้เป็นไปเพื่อความครุกคลีด้วยหมู่คณะ อันเป็นการคุกขีซึ่งไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยข้อนั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คาสั่งสอนของ菩萨ตรดาทาเราใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่ประกอบความเพียรชำระ ที่เลตันหาให้หน่อยเบาบางออกไปจากกิตใจของตนทําเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสั่งสอนของ菩萨ทต า, ธธธาอืทําเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงญยาทําเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสั่งสอนของ菩萨ทต า, ธธาอืม ทีนี้กกงกันข้ามทำเราได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดย้อมใจก็ดีทำเราได้เป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ก็ดีทำเราได้เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสก็ดีทำเราได้เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยก็ดี ทำเราใดเป็นไปเพื่อสันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็ดี mm hmm. ทำเราใดเป็นไปเพื่อความสงัด mm hmm. จากหมู่จากคณะ mm hmm. ก็ดีทำเราใดเป็นไปเพื่อความเพียรความพยายามละชั่วทำดีก็ดี ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายก็ดีทำเหล่านั้นชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดานี่หมายความว่าพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้ถ้าผู้ใดประพฤติตามหมวดหลังเนี่ยก็ชื่อว่าประพฤติตามธรรมตามวินัย ความประพฤติของผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยตรงต่อคําสั่งสอนของพระาาศาสดาถ้าผู้ใดประพฤติไปตามธรรมหมวดต้นนั้นก็ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ดําเนินไปตามคําสอนที่ถูกต้องของพระบรมศาสดา นี่แหละลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการนีเ้เราต้องพิจา ร, รณาดูว่าที่เร า, รารรประพฤติปฏิบัติทมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติตรงไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมหรือว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย นั่นก็ย่อมรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเละอันผู้อื่นนั่นถึงรู้ก็ไม่เท่าตนเองรู้ตัวเองตนเองรู้เรื่องของตัวเองนั้นชัดเจนกว่าดังนั้นทุกคนในสํารวจตัวเองให้ดีเมื่อรู้ว่าตนในประพฤติไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยแล้ว เมื่อก็ควรพิจารณาตัวเองอย่าไปคอยให้แต่ผู้อื่นพิจารณาอย่างเดียวก็อย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆแล้วว่าไม่มีใครจะไปตามรักษาใครอยู่ตลอดเวลาได้ต่างคนต่างเมื่อหวังดีต่อตัวเองหวัง ความสุขความเจริญต่อตอนเองนะตนเองก็บังคับตัวเองให้ประพฤติตรงไปตามธรรมตามวินัยเอาเองเรื่องของศาสนามเป็นอย่างนี้นะถ้าตนเองไม่สามารถที่จะประพฤติให้ตรงตามธรรมตามวินัยได้แล้วมันก็ต้องไปตามเรื่อง ต, ต้องลดตัวลงแล้วไปปฏิบัติทมในขั้นต่ำลงไปมันก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยประยูยชนอเป็นนิสัยปัจจัยที่จะให้เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลไปอยู่ธรรมะคำสอนของอุตเจ้ามันมีหลายขั้นตอน อย่างต่ำก็มีอย่างกลางก็มีอย่างสูงก็มีทุกคนก็พิจารณาตัวเองว่าตนเองจะปฏิบัติได้ในขั้นไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะพึงพิจารณาจะให้ผู้อื่นพิจารณาให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าความต้องการความรู้สึกนึกคิด อันนี้นะ่มันไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่ละคนก็จึงรู้ความคิดของตัวเองรู้ความอยากความต้องการปัถนาของตัวเองอันนี้มันแน่จริงจริงนเพราะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่านัตติโลเกระโขนามะ ขึ้นชื่อว่าที่รับไม่มีในโลกพุทธภาจิตข้อนี้หมายความว่าไอ้ที่รับบางอย่างคนอื่นไม่รู้หรอกแต่ว่าตนเองนั้นสิรู้นี่นะตนทำอะไรตนทำผิดทำถูกอะไรนั้นตนเองรู้ตัวเองทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้น ถึงคนอื่นไม่รู้แล้วกับตนเองก็รู้ตัวเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าที่ลับไม่มีในโลกนั่นเนอมกระพึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีพระพุทธศาสนานี่นะเป็นของประเสริฐยิ่งนัก นำบุคคลให้พ้นทุกภัยในวะตะสงสารได้จริงๆรงแต่ต้องทําจริงนะต้องปฏิบัติจริงอจึงจะนําบุคคลให้พ้นทุกไปได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจริงไม่ทําจริงก็จะนําไปสู่ทุกซ้ํามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญและบาปนี่มันเหมือนฝ่ามือกับหลังมือ อยู่ใกล้กันถ้าจิตพลิกไปทางบาปบาปมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะในจิตดวงเดียวนี่แหละเอ้าันจิตพลิกไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นให้พากันสังเกตดูจิตใจตัวเองนะ ทีนี้ถ้าหากว่าบาปมันมีกำลังมากอย่างนี้นะมันก็ครอบงำจิตอันนี้ให้นึกไปทางบุญกุศลไม่ได้ปะนี่มันก็เลยทำผิดสินผิดทำ ผ, ดผิดในไปอย่างไม่มีการสะดุ้งหวากลัวต่อโทษนั้นนั้นได้เลยนี่ถ้าผูใ้ใดสะสมบาปมันหนัก เข้าไปมากๆเข้าไปไม่กลัวเลยจะไปตกนรกส ก, กีหลุมก็พอใจไปตกอ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้อันอนุภาพของบาปเนี่ยมันทําให้คนเราไม่กลัวนรกอับบายภูมิอะไรเลยฮะกรงกันข้ามอนุภาพแห่งบุญอย่างนี้มันทําให้คนเรานั่น มีใจกล้าหารในการกระทำความดีกล้าหารในการผาเผชิญกับความชั่วขึ้นชั่วความชั่วและจะไม่ยอมให้มันมาครอบงำจิตใจบุคคลผู้ชอบบุญกุศลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องเกลียดบาปเช่นอย่างบุคคลผู้ชอบสีขาวอย่างนี้นะมันก็เกลียดสีดำ ก็ไม่ยอมให้สีดํามาแปดเปื้อนแต่ถ้าบุคคลไปชอบสีดํามันก็เบื่อสีขาวเหมือนยังบุคคลไปชอบบาปอกุศลความชั่วต่างๆนั่นแหะเมื่อใจมันตกไปในทางช่วยนั่นแล้วมันก็ไม่แหลไม่ชอบบุญกุศลแล้ววะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น่ะ ให้พากันสังเกตพิจารณาจิตใจตัวเองให้ดีใจตัวเองนะ่ะมากลับกรอกหลอกตัวเองอย่างนี้หรือไม่เดี๋ยวก็คิดเป็นบุญไปเดี๋ยวก็คิดเป็นบาปไปอย่างนี้นะเป็นไหมมันเป็นอย่างนี้หรือไม่ อ, มอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องพิจารณาตัวเองะ จะไปให้คนอื่นพยากรให้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่พยากรใครถ้าว่าไม่มีเหตุจริงๆนะถ้ามีเหตุอันควรที่พระองค์เจ้าจะบรญยัตสิกขาบทน้อยใหญ่อย่างนี้เนะี่ยถ้าเหตุเช่นนั้นมาถึงแล้วพระองค์ก็พิจารณา หรือว่าไม่ถึงกับได้บรญญัติสิกขาบทแต่ถ้าความชั่วบางอย่างนี่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นเหตุให้พระองค์ได้แสดงธรรมโปรดเวนัยศาสตร์ทั้งหลายอย่างนี้ออพระองค์ก็วินิจฉัยเรื่องนั้นขึ้นมาจะปาราบเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุขึ้นมา แล้วแสดงทมไปอย่างนี้แหละเหมือนอย่างพิกษุรูปหนึ่งแต่ข้างพุะเจ้าไปเห็นรูปมาตกคามสวยงามเขาไดมนุษยประฉันในบ้านเกิดความกำหนัดรักใคร่อย่างรุนแรงชั้นเข้าก็ไม่ลงกลับมาวัดก็เอาบาตเต็มด้วยอาหารตั้งไว้ในห้องแล้วกันนอนภาคคุมศีรษะ นิ่งนึกถึงแต่ความรักอันนั้นฉันเข้าก็ไม่ได้ท่านอยู่มาหญิงนั่นก็เลยมาตายลงพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างนั้นจึงทรงรับสั่งใช้พระ อ, อนุนไปไปไปบอกพระเจ้าพสิทธิ์ที่กศลให้ให้พระเจ้าประสิทธิ์กุศลรับสั่ง ให้เก็บศพหญิงคนนั้นไว้สามวันซะก่อนจึงค่อยเอาไปป่าชา้าก ะ, ะเก็บไว้ได้สามวันแล้วก็ทรงรับสั่งให้พระเจ้าพสณีกุสุนประกาศให้ชาวเมืองไปดูศพคนตายใครไม่ไปถูกปรับ เวียนเสียจะเด็กน้อยกับคนแก่ชรากลัวถูกปรับไปกันเนี่ ย, น เ, นยเมื่อเมื่อได้เวลาแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้บุรุษถามศพอันนั้นที่ประกาศขายพันหนึง่งพันกระหาปณะไม่มีใครซื้อเลยทรงลดลงเหลือห้าร้อย ก็ไม่มีใครซื้อลดลงลดลงจนว่าให้เปะ่าเป่าก็ไม่มีใครเอาพระองค์แ้่ถือเอาอันศพหญิงคนนั้นเป็นเหตุแบบนี้ทรงแสดงธรรมบนี้ทรงยกภาษิตขึ้นว่ารูปังชีรติมัจจานางังนามะโคตังนาชีรติ รูปร่างกายอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาแต่ชื่อและโคตยังมีอยู่ตามในพุทธภาษิตนี้พระองค์เจ้าทรงแสดงให้คนทั้งหลายได้หวนระลึกถึงศักดิ์ศรีระลึกถึงตระกูลของตน เป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนจิตให้ตนละความชั่วทำความดีว่าถึงแม่ร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแตกความดับเป็นธรรมดาก็จริงแต่ว่านามสกุลนั้นยังมีอยู่ในโลกเนี่ยนามสกุลตระกูลนั้นนามสกุลตระกูลนี้ อะไรเนี่ยมันมีเป็นตระกูลตระกูลอยู่เนี่ยนี่แหละพระองค์เจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นมันระลึกถึงชาติถึงตระกูลของตนตระกูลของเราเป็นคนดีไม่ทำความชั่วหรืออะไรอย่างนี้แล้วเรานั้นจะมาทำความชั่วแต่ผู้เดียว ก็เชื่อว่าเป็นผู้ทาลายศักดิ์ศรีของตระกูลให้เสื่อมสูญไปเนียกว่าศักษิีอันดีงามทั้งหลายเสื่อมไปจากโลกนี้มีแต่ชื่อเสียงอั น, นวเน่าเฟะปรากฏอยู่ในโลกนี้นี่ทรงสอนให้ะระลึกอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ทำความชั่ว ถ้าใครไม่ระลึกถึงนามสกุลถึงโคตถึงวงถึงศักดิ์ศรีของตนเองแล้วแน่นอนเนียมันก็ตกเป็นทาตแห่งราคะตัณหาตกเป็นธาตแห่งโทสะพยาบาทตกเป็นธาตแห่งความหลงความเมาไม่กลัวบาปกลัวกรรมจะตามสนองให้เป็นทุกข์ แต่อย่างใดอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้มีแต่มันจะฉุดค้่าชีวิตจิตใจอันนี้ให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆให้ไปสู่เหิวแห่งความทุกข์ชั่วกาละนาน พระศาสดาทรงสแสดงทมให้พุทธบริษัทเป็นจำนวนหลายหมื่นอยู่ในป่าช้านั้นฟังให้มาคำานึงพิจารณาดูร่างกายของตัวเองกับศพของคนที่ตายแล้วนั้นมันไม่แปลกกันเลยเวลาจิตวิญญาณยังอาศัยอยู่นี่มันก็ไม่เน่าไม่หมินเท่าไหร่เพราะมันรักษามันอยู่ อาบน้ำขัดใครชำระสาสางกันอยู่ทีนี้พอจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้แล้วไม่มีใครจะไปปนเปื้อปฏิบัติรักษาดูแลอะไระปล่อยทิ้งไว้ให้ล่วงเลยเวลาไปมันก็มีแต่เน่ามีแต่ผุพองขึ้น แตกสลายออกไปส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตายลงเวลาจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเอาไปจำหน่ายให้ใครซื้อเขามันก็ไม่ซื้อกันเลยเวลายังมีชีวิตอยู่จิตใจยังครองร่างอันนี้นอยู่ปรากฏว่ามีค่ามากเทียวะ่ะ ม, มีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนก็มี ออพระพุทธเจ้าทรงประประสงค์ให้พุทธบริษัทได้พิจารณาเห็นร่างกายโดยอาการอย่างนี้แล้วพิจารณาเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ตลอดไปได้ทีนี้นั่นแ่ะต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงมันอาศัยร่างอันนี้อยู่ได้ ก็พอบุญเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังอยู่มันยังไม่หมดเขตของมันมันจึงรักษากายกับจิตนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ไม่ให้พากจากกันไปก่อนเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟหรือไฟฟ้ามูนี้ อเมื่อสวิตช์มันก็ยังดีอยู่ไส้มันก็ยังดีอยู่ไม่มีอะไรสึกหลอ่อกดสวิตช์เข้าไปไฟก็วิ่งเข้าไปสู่หลอดส่งแสงสว่างออกมาจ้ามองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้เอ็นี้ถ้าว่าอันใดอันหนึ่งชำรุดส่วนสำคัญนะมันชำรุดลงไปแล้ว ไฟมันก็วิ่งเข้าไปในหลอดไม่ได้ถึงจะกดสวิตช์อย่างไรไฟมันก็วิ่งไปไม่ได้เพราะสะพานไฟมันถูกตัดขาดออกไฟมันยังวิ่งเข้าไปสู่หลอดส่งแสงสว่างออกมาไม่ได้เลยฉันใดชีวิตของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ <c oughs> อาศัยบุญกุศลที่ตนทามาแต่ชาติก่อนนู่นมาประสานระหว่างกายกับจิตให้อาศัยกันอยู่ได้รับประทานอาหารก็ได้นอนก็รับทำการงานต่างๆก็ได้อย่างนี้เนี่ยที่นี้คนเราเนี่ยมันก็มาหลงกำนัดยินดี ในรูปร่างกายอันบุญกุศลตกแต่งให้เนี่ยแต่สาคัญว่าสวยว่างามสำคัญว่าเที่ยงว่ายั่งยื้เนะนี่ความหลงความเห็นผิดมันร้ายกาจเอาซะจริงๆเนียทั้งที่รูปร่างอันนี้มันไม่เที่ยงมันแปลปวนไปให้เห็นอยู่ทุกวันทุกคืนเอาเถอะตัว ตัวเองยังหนุ่มยังแน่นร่างร่างกายอันนี้ยังไม่แปลผันแต่ผู้ที่เกิดก่อนตอนนะก็เห็นกันอยู่ทุกวันทุกเวลาซ้ำเป็นไรร่างกายใ น, น, นมันชำรุดสุดทรมไปอย่างไรอ่ะแล้วก็คนหมดบุญหมดวาสนาตายมาแล้วนะไม่รู้ว่ากี่เท่าไรอันนี้ไม่เอามาคิดมาตรองเลย คนที่ตกเป็นทาตแห่งราคะตัณหาเหมือนไม่เอามาคิดหรอกถ้าเอามาคิดแล้วรสชาติแห่งความกำนัดยินดีนั่นมันจะจางหายไปมันชอบหลายเหมือนยังบุคคลชอบยาเสพติดนั่นแหละเอาอเอากินเข้าไป ทางปากนี่ก็มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละมันจะไม่ออกรถออกชาตมากหรือไงพวกเฮรโรอีนโเนี่เอาเข็มดูดเอาสแล้วกตชีดเข้าไปในเส้นเลือดออดูถ้ามันจะเมาดีอย่างัไรก็ไม่รู้บางลายมันโลภมากฉีดเข้าไปหลายๆเส้นเลือดแตก ตายปัจจุบันทันด่วนเลย อ, อันมูนี่นะมนุษย์เราเนี่ยมันแย่จริงๆนะ ม, มันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวยากอะไรทั้งมดเลยนี่ไดให้พากันพิจารณาดูให้ดีอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ย เพระเทรเจ้าตรัสว่ามันคนทากรรมมันชั่วเพราะกิเลสตัณหานี่มากม า, กายกายกองตายแล้วไปไหมอยู่ในนรกนเหมือนเข้าสารยัดไทน้นี่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดต้องการความสุขรักชีวิตของตัวเองแล้ว ก็ต้องฝึกตนทรมานตนสํารวมตนให้เข้มงวดเข้าไปอออย่าไปล่วงทำล่วงวินัยล่วงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังขืนประมาทอยู่ยนีนะ่มันก็จะต้องมีนรกแล้วนะเป็นเรือนนอนนะเอนรกในปัจจุบันนี่กับใจร้อนเลยวันนี้เมื่อนึกถึงความชั่วที่ตัวทำมาไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแล้ว แต่บางคนมันด้านหลายไม่ละไม่ร้อนอะไรมันด้านเกินประมาณอย่างนี้ก็มีนี่แต่เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาใครควรให้ดีพิจารณาตัวเองเมื่อตนไม่มีความสามารถจะปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปได้ เราก็ลดตัวลงต่ำตามเพศตามภูมิไปเสียเลยแล้วมันก็ไม่เป็นไรฮะดังแสดงมา